พูดสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรรเสมีสนทนานะ จิตใจของเราสบายมากขึ้นไปพบค่ะนมัสการค่ะท่านค่ะเจริญ อุดรหนาวหรือยังคะท่านคะก็เริ่มอากาศเย็นแล้วแล้วก็มีนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีการลิกเรนปฏิบัติพร้อมค่ะแต่ มากใช่สําหรับการที่จะปฏิบัติธรรมคนเราทําไมถึงอ่าชอบร้อนชอบหนาวก็ไม่เหมือนกันนะคะอืมเหมือนกับบางทีอยู่บ้านกันแต่ แต่สิ่งมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเนี่ยคืออาสวะที่สั่งสมมาในจิต อาสวะคือเครื่องใช่อาสวะเนี่ยคือเครื่องดองสันดานถ้าจะแปล ที่จะมาเป็นนิสัยที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างงี้ทําไมๆก็ตามระบบการเป็น การที่จะกระทบหนาวกระทบร้อนเป็นสัมผัสทั่วๆไปด้วยค่ะท่านคะเออคือภัสสะมันมีทั้งทางกายและอย่างสมมุติมาทางตาอย่างกรณีของคุณโยมอย่างถึง ภาษาเหมือนกันเป๊ะเลยเอ๊ะแต่ทําไมคนหนึ่งตอบด้วยจิตที่เอ่อชอบอีกคนหนึ่งจิตที่อืมแต่ใน เครื่องดองสันดานที่แตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะอ่าถ้าเรามองในมุมเอ่อมุมอย่างเช่นว่าในตัวแปรต่างๆ ไม่ใช่พวกโจรควควควรที่จะต้องชอบความดีด้วยเหมือน ก็ความแตกทีนี้สมมุติว่านี้ก็เป็นเพราะว่าเอ่ออวิอ่าอาสวะนี่นั่นเองใช่ๆๆนะคะสมมุติว่าดิฉันเป็น ก็ยังเป็นปกติอยู่ได้ยังเป็นปกติอยู่ได้หรือบางทีสามารถมองในมุมที่ดีได้แล้วดิฉันก็อยากเป็นแบบเค้าดิฉันจะเปลี่ยนอาสวะของดิฉันได้มั้ยคะต่างฝึกได้แน่นอนนะฝึกได้เพราะว่าการที่เรามาเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะเราฝึกจิตของเราให้มันเป็นอย่างงี้ฝึกโดยที่ไม่รู้ตัวทีนี้เราจะฝึกใหม่ให้เรารู้ตัวในการฝึกนะให้ นะคือสามารถฝึกจิตจนกระทั่งนิสัยเดิมได้หมดที่ละอาสวะได้นะไอ้ที่ละอาสวะได้อ้าวค่ะในเป็นอาสวะที่สมมุติว่าดิฉันเป็นอยู่คือขี้งุด มันส่งผลเสียยังไงทางธรรมมั้ยคะถ้าเผื่อว่าสิ่งสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นด่าว่าเอ่อข้ารักแล้วซึ่งตรงเนี้ยเป็นเป็นเรื่อง นราวจึงหนึ่งพวกสาบทั้งหลายพวกเอ่อที่เธอทั้งหลายเรามีอํานาจเหนือจิตอย่าให้จิตเนี่ยไปมีอํานาจเหนือเราเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะไปตามอาสวะอยู่เรื่อยนะที่เจ็บเองเนาะ เป็นพิษกับตัวเราเองพิษกับใช่อันนั้นเป็นเป็นเข้าข่ายของมิจฉาสังคปะนะตัวเรา โดยสังเกตพฤติกรรมอ่าวิธีนึงเนี่ยมันเป็นพิษกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้แล้วท่านก็ เรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็อาจมีการพบๆนะเรานี่มันโกรธไปหมดเลยถ้าสมมุติ ตัวเองมีปัญหาอะไรเนี่ย 1 คือเค้าต้องมีสตินะสติเค้ามีอยู่แต่ยังละไม่ ที่ถูกต้องก่อนเห็นเนี่ยหมายถึงความเห็นไม่ใช่ว่าเห็นเจ้าตัวปัญหาก่อนนะยังไม่เห็นปัญหาเลยแต่รู้ว่าปัญหานี้ต้องแก้แต่ไม่รู้จะแก้ยังไงอันนี้คือคุณมีความเห็นที่ถูกต้องละพอคุณมีความเห็นที่ถูกต้องอ่าเห็นปัญหาแล้วสติเริ่มเกิดแต่ 2 คือเห็นแล้วว่าปัญหา คือเรามีสติ<ใช> 3 จะแก้ยังไงก็ต้องละมันออกไปไอ้ตรงจะละมันออกไปเนี่ยปัญญาต้อง ละอาสวะเนี่ยอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้ค่ะคืออ่าที่ที่ฉันได้ไปฟังบรรยาย<ใช> โรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะใช่ฉะนั้นตอนเนี้ยนะคะเราก็ลองทํา<ใช> อาสวะคือเครื่องดองสรรดานใช่ที่อาจจะทําให้เราได้รับผลร้ายจากการมี ถ้าเราทําค่ะเพียงปืนนัดเดียวได้ประโยชน์มากมายได้ ดิฉันคาดหวังให้คําสอนของพระศาสดานั้นไม่เป็นเพียงมือสาธุสาธุเป็นคําสอนที่ศักดิ์สิทธิ์เออท่านคะถ้าสมมุตินะอ่าเรา คำของพระพุทธเจ้าถ้าจะท่องเป็นคถาประจําตัวในเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านได้กล่าวมาแล้วทั้ง เนยกรณีของเราเจอภาษิตที่ไม่น่าพอใจที่จะละอาสวะสิ่งที่อาตมาท่องได้เลย มีปัญญาวิมุตตินะอันอาสวะเนี่ยจะเกิดไม่ได้ค่ะเออต้อง เทพบานเปิดเว็บไซต์ไปดูในเว็บไซต์ของท่านไพบูลย์ได้มั้ยคะมี อยากมากนะคะไม่ได้หวังน้อยเลยนะคะเพราะดิฉันที่จะปรับเปลี่ยนลง SM 106 ครอบครัวข่าว ก็ลากันไปก่อน